ที่ทางเงินดาบไรของทัญญบุรีวิทยุราชมงคลทัญญบุรี FM 89.5 MHz เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต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 ผลิตภัณฑ์ที่ไหนดีผลิตภัณฑ์ที่ไหนเด่นพูดคุยกันเน้น เ, นนเนนวิสาหกิจชุมชนส่งตรงถึงคุณในรายการตลาดนัดชุมชนค่ะสวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดนัดชุมชนนะคะวันนี้เจอกันดิฉันอาทิตยาปกรณ์นางรับหน้าที่ในการดําเนินรายการทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะซึ่งคุณสามารถรับฟังรายการของเราได้ในช่วงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์รวมไปถึงแฟนเพจ a c e b o o k วิทยุราชมงคลธัญบุรีเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เรื่องร าการพูดคุยของเรานะคะเราก็จะมีตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนที่จะมาพูดคุยและบอกเล่าเรื่องราวหรือไปถึงผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเหล่านั้นนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณจิตนาบุญรักษาค่ะประธานกลุ่มแม่บ้านเกษต ร, รกรท่ามะเฟืองสามัคคีจังหวัดนครนายกจะมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตนาค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณเจตนาก่อนที่เราจะมาคุยกันถึงที่มาที่ไปในการที่รวบรวมตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นน่นนะคะอยากให้คุณเจตนาเองได้แนะนํำคุณผู้ฟังแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มเราทําอยู่ณปัจจุบันนี้ค่ะค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้า น, กนเกษตรกรอท่ามะเฟืองสมามัคคีนะคะอยู่ที่หมู่สี่ตํบาบลปากถ่าอําเภอบ้นนาจังหวัดนครนายก ค, ค่ะก็ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะก็จะมี หลากหลายค่ะทั้งประเภทอาหารแล้วก็ไม่ใช่อาหารนะคะประเภทอาหารก็อย่างเช่นขนมโมจิขนมทองพับสมุนไพรนะคะแล้วก็เป็นผลไม้แต่รูปอย่างเช่นกระท้อนสามรสกล้วยตากเพื่อพลงงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็มะเฟืองอบแห้งค่ะส่วนที่เป็นของใช้ก็เช่นพรมอเนกประสงค์แล้วก็กระเป๋าหนังเย็บมือค่ะอืมนะคะต้องบอกว่าเรามีสินค้าที่หลากหลายและ ตองเรียกว่าจับกลุ่มที่แตกต่างด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ ะ, คะอย่างนี้แสดงว่าในตอนแรกเริ่มมาค่ะคุณจิตนาเองในการที่จะตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยมีการประกอบอาชีพหรือว่าการทางานในด้านอื่นมาก่อนไหมคะส่วนมากจะเป็นแม่บ้านนะคะที่ทำอาชีพหลักๆก็คือทาสวนทาสวนแล้วก็ใช่ค่ะแล้วเ ร, เราก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยส่สิบสามค่ะก็สิบแปดสิบเก้าปีแล้วค่ะที่เราจะตั้งกลุ่มกันมาค่ะก็มีการเออ่ลงหุ้นนะคะแล้วก็มีการฝากเงินประจัของกลุ่มด้วยอะค่ะอในตอนแรกเองที่เราบอกว่าเรามีการลงหุ้นตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเราจะต้องเริ่มจากการทำผลิตภัณฑ์มาก่อนหรือว่าคะณ์นะตอนนั้นใช่ค่ะครั้งแรกเลยก็คือทําขนมทองพับสมุนไพรอะค่ะ อืมทองพับสมุนไพรทำไมถึงเลือกเป็นขนมทองพับสมุนไพร ล, ล่ะคะลักษณะของขนมเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆขนมทองม้วนน่นะคะแต่ว่าของเราใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็ลักษณะขนมก็คือเราไม่ได้ม้วนเป็นทองม้วนแต่ว่าเราพับเป็นเป็นดอกพับเป็นดอกแล้วก็ใช่แล้วก็เป็นขนมที่สามารถเก็บไว้ได้อายุ อายุการเก็บรักษานานนะคะสามารถฝากขายตามร้านในชุมชนอย่างเงี้ยได้ค่ะก็เลยทำเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราทำขึ้นมา ค่ะในช่วงแรกที่บอกว่าเราอาจากที่ท่านมีอาชีพนี้ของการทําสวนทาไร้นะคะแล้วก็เป็นแม่บ้านกันด้วยก็มารวมกลุ่มกันเกิดขึ้นในการทําอาชีพเสริมใช่ไหมคะกลายเป็นอ่าทองพับสมุนไพรอันนี้นะค ะ, อะตอนนั้นเองเนี่ยที่ที่เราบอกว่าเราตกลงกันว่าเราจะทําทองพับสมุนไพรเนี่ยเรามีสูตรหรือว่าเรามีอ่าผู้ที่มาแนะนําหลักสูตรอะไรต่างๆให้กับเราไหมคะในช่วงเริ่มต้นนะคะอในช่วงเริ่มต้นเรา ก็ดัดแปลงมาจากทําขนมทงม้วยนะคะแล้วก็กระสุน ช, ช่วยกันแล้วก็ในส่วนของสมุนไพรเราก็ปลูกกันเองอยู่แล้วอะคะ่ะอย่างเช่นมะกรูด <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้เราก็เอาสมุนไพรที่เราปลูกในบ้านนะคะมามามาดัดแปลงเป็นสูตรของขนมขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็มีทางสํานัก ง, งานกเกษตรเอ่าอําเภอวันานะคะ่ะเข้ามาแนะนําแคระกิจนะคะเข้ามาช่วยแนะนําในตรงส่วนนี้ด้วยะคะ่ะ ค่ะพอเริ่มต้นนะฮะจากขนมทองพับสมุนไพรแล้วหลังจากนั้นะะราคาผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ตามมาของเราทางกลุ่มมีอะไรกันบ้างคะอะหลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของขนมโมสิค่ะขนมโมสิบ้า น, นานะคะแล้วก็แปรรูปผลไม้ที่อยู่ในสวนนะคะหน้ากระท้อนเราก็จะแปรรูปกระท้อนแล้วก็ที่หลักๆก็จะเป็นกล้วยเนี่ยสามารถแปรรูปได้ทุกรูปการอยู่แล้วแล้วก็มะเฟืองเนื่องจากว่าหมูสีเนี่ย คือหมู่บ้านท่ามาเฟืองค่ะเราก็อยากจะดึงเอาอัตลักษณ์ที่ที่เป็นเหมือนจะเป็นเอ ก, เอกลักษณ์ของเราอะนะคะก็คือบ้านท่ามาเฟืองก็เอามาเฟืองมาเป็นสินค้าประเทศอบแห้งอะคะ่ะแสดงว่าในในพื้นที่เราเนี่ยมาเฟืองเยอะเหรอคะก็มีปลูกแทบทุกบ้านนะคะเพราะเราเราก็รณรงค์ให้ปลูกด้วยในตอนที่เราเริ่มตั้งกลุ่มใหม่ๆอะคะ่ะ นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือตอนแรกเนี่ยเริ่มมาจากการทําอาหารก่อนแล้วค่อยนํามาสู่การแปรรูปใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอาชีพอีกด้านหนึ่งเลยก็คือการทําพรมพรมเช็ดเท้าะนะคะแล้วก็กระเป๋าตรงนี้เนี่ยมาได้ยังไงคะในเรื่องของการทําในส่วนนี้ค่ะ อ, อ, อย่างพรมอเนกประสงค์เนี่ยส่วนมากทางอําเภอรบรนณานเนี่ยเขาจะมีกลุ่มที่ทําเกี่ยวกับ การทำเอาเศษเศษท่านะคะมาทําเป็นผมเช็ดเท้าอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ผมอเนกประสงค์ผมเช็ดเท้าเป็นเบาะรอ ง, งนั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยสามารถที่จะทําแล้วก็มีมีพ่อค้ามารับถึงที่เลย <S <S ค่ะค่ะเราก็เลยมันเป็นอาชีพที่ว่าทําแล้วมันมีตลาดรองรับอยู่แล้วะ <S <S อะค่ะเราก็เลยทําตรงนี้ขึ้นมาค่ะอืมค่ะในบรรดาสินค้าทั้งหมดที่ที่เราได้บอกไปอะนะคะคุณจตนาตัวไหนที่คิดว่า เมื่อมีการแบบว่าไปวางขายแล้วเนี่ยเรามีการวัดผลไหมคะว่ า, าผู้บริโภคเองเนี่ยเขามีการแบบชื่นชอบหรือว่าอ่าชิ้นไหนที่ขายได้ดีที่สุดอะค่ะที่ขายได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นผลไม้แต่รูปนะคะเพราะว่าทําออกมาเนี่ยเราไม่พอขายอยู่แล้วเนื่องจากว่าอเราเราใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในสวนของเราเองอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทํามันก็จะเป็นฤดูกาลอย่างกระท้อนอย่างเงี้ยพอหมดฤดูกาลกระท้อนแล้วก็จะไม่มีกระท้อนทําละ โอ้ oh. ใช่ค่ะเป็นผลไม้ทีนี้เราทำยังไงกันในเมื่อไม่มีกระทร้อนก็จะมีมันกระทร้อนนอกหอนะคะที่เราดองเก็บเอาไว้อะคะ่ะสำหรับทำนอกฤ ด, ดูกาลได้แต่ตอนฤนูไ mm hmm. ายก็จะสู้กระทร้อนสดที่จามาทำเลยไม่ได้ แล้วในการทำในแต่ละตัวของเรานี้คือจะต้องตลาดเราเองอะค่ะเรามีการแบบว่ามีสถานที่วางจำหน่ายอยู่แล้วหรือว่าเราต้องมีการร อ, อออเดอร์ที่เข้ามาก่อนถึงจะค่อยๆทำผลิตภัณฑ์ออกอะคะถ้าเป็นทองทับสมุนไพรเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะว่าสามารถเก็บไว้ได้นานใช่ไหมคะเราก็จะส่งขายในตลาดชุมชนในใ น, ในชุมชนของเราเองค่ะร้านขายของําแล้วก็ถ้าเป็นพวก ขนมโมจสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะสั่งทําตามออเดอร์อ mm ือ hmm. แล้วก็ขายเองที่ที่นะที่ทำการกลุ่มนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยเรามีตลาดชุม ช, ชนท่องเที่ยวบุ๋งวังโคนะคะของหมู่บ้านเราเองสาทิศเราก็จะเอาสินค้าเนี่ยไปจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในในตลาดบุ๋งวังโคนของเราะคะ่ะแล้วก็ออกงานกับส่วนราชการบ้าง mm hmm. อางนนะคะ ค่ะก็มีหลากหลายส่วนหลากหลายตลาดด้วยกันนะคะในะแรกเริ่มนะคะที่มีการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะค ะ, ะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ามะเฟืองสามัคคีเองเนี่ยตอนแรกเนี่ยเรามีสมาชิกทั้งหมดเท่าไหร่อะคะคุณจิตนาก่อตั้งครั้งแรกเลยมียี่สิบสองคนคะ่ะยี่สิบสองแล้วก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะในช่วงเริ่มตน้นแล้วณปัจจุบันนี้นะคะค่ะปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณห้าสิบกว่าคนคะ่ะโอ้อ ค่ะทุกคนมีการลงขันลงหุ้นก็คือเรามีการวางเงินร่วมกันอย่างเงี้ยแหละคะใช่ค่ะมีการซื้อหุ้นร่วมกันก็หุ้นละสิบบาทตั้งแต่เริ่มก่อตั้งนะคะแล้วก็มีการฝากเงินทุกวันที่สิบเอ่อทุกวันที่เก้าของเดือนค่ะจากค <c oughs> ุณเริ่มก่อตั้งครั้งแรกเลยเนี่ยสองพันสองร้อยอย่างที่บอกนะคะว่าเรามีหุ้นคนละหนึ่งร้อยบาทเนา ะ, ะแล้วก็มีการฝากเงินทุกวันที่เก้าของเดือนเนี่ยก็ฝากกันตั้งแต่วันละบาท เลือนละสามสิบาทจนปัจจุบันเนี้ยค่ะผ่านมาประมาณสิบแปดสิบเก้าปีเนี้ยเงินของกลุ่มเราในส่วนของ อ, อมซับกล่แม่บ้านเราเนี่ยมีอยู่ประมาณสี่แสนกว่าบาทโอ้นะคะก็คือใช้ในการหมุนเวียนในกลุ่มใช้ในการหมุนเวียนในกลุ่มด้วยแล้วก็ให้สมาชิกที่ต้องการกู้ไปประกอบอาชีพส่วนตัวก็สามารถกู้เอาไปใช้ได้ค่ะ ในการทําธุรกิจตัวเนี้นะคะในในการที่ทําสินค้าออกวางผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเองเนี่ยเรามีเรื่องของการแบ่งสรนปันส่วนกําไรไหมคะว่าถ้าได้กําไรแล้วจะเข้ากลุ่มเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะมีค่ะเพราะว่าเราทําในรูปของกลุ่มอยู่แล้ว่ค่ะแล้วก็จะจะัดสรรหลังจากที่เรา่าจ่ายค่าแรงสมาชิกที่มาร่วมกันผลิตแล้วนะคะหลังจากนั้นเมื่อได้กําไรมาเราจะหาเข้ากลุ่มห้าอร์เซ็นค่ะ Mm hmm. แล้วก็สมาชิกที่ถือหุ้นเนี่ยปลายปีเราก็จะมีปันผลหุ้นจากกำไรสุทธิในแต่ละปีด้วยแล้วก็เงินที่มาฝากไว้ก็จะมีดอกเบีย้ยให้ร้อย mm hmm. ละสี่บาทค่ะโอ้ก็ถือว่าเยอะนะคะร้อยละสี่บาทค่ะนะคะอย่างในในถ้าเทียบกันแล้วคะ่ะคุณิจตนากับการที่เราเราตั้งกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมาเนี่ยมันมันอก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างคะกับกลุ่มสมาชิกอะคะ่ะ ก็อันแรกที่เห็นเห็นเลยก็คือว่าสมาชิกเนี่ยก็เกิดการมีส่วนร่วมนะคะร่วมคิดร่วมทำร่วมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอันที่สองก็คือเขามีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นอาชีพเสริมนะคะว่าเอ่อมาทํากิจกรรมตรงนี้แล้วก็จะมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตัวเขาเองด้วยและอีกอย่างหนึ่งเราก็จะมีงานที่เกี่ยวกับด้านสาธารณประโยชน์ <c oughs> ทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมนะคะ ค่ะตรงนี้ยค่ะเป็นการวมกลุ่มค่ะเอาละค่ะมาเข้าสู่เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่ที่มีกันบ้างทั้งหมดนี้ตอนนี้เรามีการส่งผลิตภัณฑ์ในการที่จะไปเข้าในส่วนราชการต่างๆอย่างเช่นการไปประกวดหรือว่าเอาไปคัดดาวะอะไรเงี้ยมีไหมคะมีค่ะอย่างทางทัพสมุนไพรเนี่ยเราเข้าโอท็อปได้สีดาวนะคะแล้วก็โมจิแล้วก็ได้สีดาวค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็จะมีมาตรฐานมอพชอมีอยอยค่ะ อืมนะคะปีนี้มีมีแนวทางที่จะส่งบรรจภัณฑ์อื่นๆไปไหมคะในปีนี้คะ่ะปีนี้ส่งไม่ทันค่ะเพราะว่าบางตัวเนี่ยเรากําลังพัฒนาในเรื่องของบรรจุภัณฑ์อยู่ <c oughs> ก็คืออย่างบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่มันยังไม่สวยก็กําลังพัฒนาในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ก็มีหลายหน่วยงานค่ะที่เข้ามาให้การสนับสนุนอยู่ตอนนค่ะมีหน่วยงานไหนบ้างคะที่ตอนนี้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาแพคเกจจิ้งอะค่ะ ก็จะมีท <uh ั้งของพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดนะคะแล้วก็มีทางมหาวิทยาลัยรถาบันนครวิทยาลัยการอาชีพนครนายกค่ะค่ะหลายหลหลายหน่วยงานเข้ามาเพราะว่าเรามีสินค้าหลายตัวค่ะก็จะมาช่วยในเรื่องของการผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ค่ะในในมุมที่ว่าเราอยากจะพัฒนาแพคเกจจิ้งตัวนี้ก็คือเราจะพัฒนาในด้านอะไรอะคะหมายถึงว่ารูปลักษ์หรือว่าความคงทนของ การบรรจุสินค้าต่างๆข้างในอะไรอย่างเงี้ยแหละคะ่ะใช่ค่ะในเรื่องของการถนอมอะค่ะอย่างผลไม้แปรรูปเนี่ยเ อ, อมันเป็นสินค้าที่ถ้าเก็บไว้นานเนี่ยสีของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนดังนั้นบรรจุภัณฑ์มันต้องสามารถที่จะเก็บรักษาค่ะไม่ให้ให้ไม่ให้โดนแสงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของแบรนด์ก็อยากจะให้มันมัีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมา <c oughs> แล้วอย่างในตัวอ ตัวของอาหารเองตัวอาหารเลยนะคะ่ะตอนนี้เรามีการคิดค้นตัวใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาไหมคะตอนนี้ทาน้ำพริกขัวกิงกระดูกปูอยู่ค่ะน้าพริกขกั้วกิงกระดูกฟูใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอมหาวิทยาลัยรารพัธนนครเข้ามาให้การสนับสนุนคิดสูตรให้เราลองลองทำดูก็ลองออ ก, ออกตลาดก็ใช้ได้นะคะพอใ้ได้เพิ่งจะเริ่มที่จะลองตลาดใ ช, ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะค่ะผู้โดยภพมีการแสดงความเห็นยังไงบ้างคะในในสินค้าตัวนี้ค่ะก็มีการกลับมาซื้อซ้ำาะคะหลังจากที่ที่จะซื้ไปแล้วแล้วกลับมาซื้อซ้ําได้ค่ะเชื่อว่าในการทํางานแต่ละอย่างซึ่งทางกลุ่มเเนี่ยเรามีเรียกว่ามี อุปกรณ์วัสดุมีเรื่องของส่วนประกอบเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยมีปัญหาเกิดขึ้นไหมคะในช่วงยุคนี้ที่แบบว่าต้องเรียกว่าเศรษฐกิจเราค่อนข้างที่จะฝืดเครืองกันนิดนึงนะคะเ อ, อในเรื่องของการหาส่วนประกอบต่างๆเนี่ยราคามันต้องแพงขึ้นอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยทางกลุ่มเจออุปสรรคไหมคะวัตถุดวัตถุดก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะขึ้นราคาเออ่ได้ได้ได้มากนะคะจะต้อง แล้วก็คือเป็นไปนตามเศรษฐกิจนะคะวัตถุดิบมันสูงแต่เราไม่สามารถที่จะเพิ่มสินค้าของเราได้ค่ะมีวิธีกา ร, ารอ่ามีวิธีการในการแก้งอย่างค่ะอย่างเช่นเราจะต้องบอกลูกค้าเหรอคะว่าเอ้ยเราโอ้ยขอขึ้นหน่อยหนึ่งในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ขอขึ้นราคาแต่ว่าเราก็จะได้กําไรน้อยลงเท่า น, นั้นเองค่ะอื ม, อมแล้วเรายังพออยู่ได้ค่ะแต่ว่ากําไรเราจะจะน้อยลงเท่า น, นั้นเองทีนี้เราก็จะต้อง าวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าตัวอื่น่ะตัวใหม่อะค่ะขึ้นมาทดแทนผลิตภัณฑ์ที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเพื่อที่จะดูว่ า, าวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นเราคืออะไรเราจะได้สามารถที่จะลดต้นทุนในการผลิตได้อะค่ะมีส่วนอื่นอีกไหมคะตอนที่เราอยากจะปรับปรุงหรือว่าจะพัฒนามากขึ้นอย่างเช่นด้านการตลาดอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้ต้อง ต้องบอกเลยว่าก็ต้องเน้นในเรื่องของตลาดออนไลน์ค่ะขายผ่าน facebook ผ่านไลน์มีเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะของของกลุ่ ม, มนะคะก็มีลูกค้าที่เข้ามาสั่งสินค้าในหน้าเพจในเฟซบุ๊กเราคิดว่าเอ่อต้องเป็นตลาดออนไลน์อะค่ะตอนนี้อืมต้องเน้นออนไลน์เป็นหลักใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าเองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรื่องของการปรับกลยุทธ์นะคะลูกค้าก็มา<ช>จะเข้าไปดูออนไลน์ปุ๊บเนี่ยกดสั่งปุ๊บเลยนะคะใช่ค่ะ แล้วอย่างการขนส่งล่ะคะมันเป็นอุปสรรคไหมคะเพราะว่าอย่างเราเราทำเป็นขนมทองพับใช่ไหมคะแล้วก็ทองม้วนซึ่งตรงนี้มันต้องระวงรังในเรื่องของการขนย้ายของการขนย้ายมันแตกง่ายคะ่ะทํำยังไงคะต้องมียังไงอันนี้วิธีนนการก็คือเราต้องถ้าจะเป็นขนมทองพับเนี่ยจากเดิมที่เราทําดอกค่อนข้างจะจะจะใหญ่บางนะคะเวลาขนส่งมันจะแตกง่ายเราก็ม้วนให้มันแน่นขึ้น ยังแต่ยังทรงรูปทรงเดิมนะคะแต่ว่าน้วนม้วนให้มันลักษณะนขนมให้มันมันแน่นขึ้นมันก็จะลดในเรื่องของการแตกหักลงไปได้บ้างค่ะแล้วก็ถ้าส่งไกลเนี่ยก็บรรจุลงไปในกล่องที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะคะอย่างนี้มันจะมีผลในเรื่องของการส่งที่แบบว่ามันค่อนข้างแพงไหมคะในการการขนส่งที่ที่เราจะต้องมาระวังมากขึ้น ถ, ถ้าขนมทองทัพเนี่ยยเรายังไม่เน้นเน้นตรงส่งขนาดนั้นนะคะ จะเป็นแล้วการอะไรที่ว่าเราไปส่งเองหรือว่าลูกค้ามารับเองถึงที่มากกว่าค่ะอแต่ถ้าจาเป็นตัวอื่นเนี่ยสามารถที่จะส่งเคอรี่หรืออะไรได้อืนะคะแต่ว่าถ้าเป็นขนมขนมลักษณะนี้ซึ่งก็จะต้องระมัดระวังกันอยู่แล้วนะะอาจจะต้องมีเดินทางมาทางกลุ่มกันบ้างหรือว่าไปตามงานต่างๆใช่ไหมคะที่มีการไปวางขายกันใช่ค่ะค่ะสำหรับในส่วนของการอ่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเรามีมีขาดแคลนไหมคะ ที่เกิดขึ้นไม่มค่ะตอนนี้ไม่มีขาดแคนไม่มีเลยก็คือเราเราเลือกวัตถุดิบที่เลือกทําในอาหารหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราสามารถทำได้ผลไม้เนี่ยเราเลือกตามฤดูกาลอยู่แล้วค่ะรับแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาลแล้วเพราะฉะนั้นฤดูกาลอะไรเราก็จะผลิตสินค้าประเภทนั้นออกมาค่ะอย่างขนมทองคําเนี่ยมันผลิตได้ทั้งปีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าใช้แป้งใช้สมุนไพรพื้นบ้าน <c oughs> ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของวัตถุดิบค่ะค่ะอยากให้คุณเจรนาแนะนำผู้ฟังกันหน่อยว่าผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดที่เรามีเนี่ยเรามีจุดเด่นของอทั้งอาหารเอ่ยทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆเอ่ยเนี่ยมีจุดเด่นที่น่าสนใจยังไงอะค่ะคือเราพยายามที่จะเน้นสิ่งที่ที่คุ้มคุลมีนะคะในการมาทำผลิตภัณฑ์ของเราตรงนี้แล้วก็เน้นในเรื่องของความสะอาด ความอร่อยของผลิตภัณฑ์แล้วก็เน้นสดใหม่ค่ะไม่ทําค้างไว้นานนะคะแล้วก็อ่าเน้นในเรื่องของสั่งสั่งสินค้าก็คือให้ไวแล้วก็ตรงกับที่ลูกค้าต้องาการอืนนี้เราเราเน้นในในส่วนนี้ส่วนในเรื่องของงานฝีมือเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความประณีตแล้วก็ความคงทนการใช้างาน ได้นานนะะอืมค่ะแล้วเรามีคติไหมคะในในส่วนที่ต้องเชื่อว่ามันจะต้องมีแหละปัญหาและอุปรสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตอนก่อตั้งมาถึงนัปัจจุบันมีวิธีการในการที่จะแก้ไขหรือว่าบอกตัวยังไงบ้างคะเวลาที่เราเจอปัญหาต่างๆอะค่ะถ้ากลุ่มกลุ่มของเรานะคะอย่างที่บอกว่าเราอยู่มาถึงสิบเกืบยี่สิบปีแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่ทางกลุ่ม ปฏิบัติกันมาตลอดก็คือในเรื่องของการที่ถ้ามีปัญหาอะไรเราจะมีการพูดคุยกันค่ะพูดคุยกันแล้วก็หาข้อยุติมีปัญหาเราจะร่วมกันแก้ไขปัญหาะคะ่ะเพราะการที่เราเป็นกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะค่ะการเป็นกลุ่มจะยั่งยืนอยู่ได้เนี่ยสมาชิกทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือแล้วก็เคารพปติกาของกลุ่มนะคะเราจะไม่มี ใ, ใครหรือมีอะไรมา อ่ามาสั่งว่าจะต้องทำอํำนี้นี้ทุกอย่างเราจะต้องใช้มาติของที่ประชุมค่ะนี่คือหลักในการทํางานของอกลุ่มแม่บ้านของเราค่ะก็คือไม่สามารถจะคิดในคนเดียวได้ปัญหาเข้ามาปุ๊บแล้วก็มีการพูดคุยกันในรูปแบบคณะกรรมการกลุ่มค่ะว่าเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นอย่างไรนะคะใช่ค่ ะ, คะทุกกลุ่มคะ่ะ ไ, ไม่มีกลุ่มไหนที่ไม่มีปัญหา ต้องมีปัญหาทั้งนั้นแล้วก็ต้องมีข้อที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ว่าเราใช้มติของที่ประชุมเราพูดคุยกันแล้วก็ให้ข้ อ, อยุตินั้นเกิดขึ้นในที่ประชุมค่ะอืมนะคะในท้ายนี้ค่ะคุณจิตนาช่องทางนะคะการติดต่อที่หูฟังจะสามารถเข้าไปสั่งผลติตภัณฑ์ต่างๆของทางกลุ่มได้นะคะสามารถสั่งในทางช่องทางไหนได้บ้างคะ ได้ที่เฟซบุ๊กของวิสาหกิจชุมชนบ้านท่ามะเฟืองนะคะกดเข้าไปกินวิสาหกิจชุมชนบ้านท่ามะเฟืองหรืออ่อเพจบ้านท่ามะเฟืองก็ได้ค่ะมีสองแฟนเพจใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะแล้วมีเบอร์โทรศัพท์เพิ่มเติมไหมคะมีเบอร์โทรศัพท์ก็คือศูนย์แปดเก้าเก้าสามห้าสามเจ็ดแปดหนึ่งค่ะ มีอะไรที่อยากจะฝากถึงผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ไหมคะในเรื่องราวของทางกลุ่มเองหรือว่ า, อ, าอยากจะฝากถึงมลิตพันฑ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาในเร็วนี้ค่ะก็ต้องฝากให้เข้าไปติดตามในเฟซในเพจของบ้านท่ามะเฟืองนะคะแล้วก็เราจะพบว่ามีอะไรที่น่าสนใจหลายๆอย่างคะ่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขบคุณค่ะคุณจิตนาบุญรักษานะคะประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ามะเฟืองสามัคคีเทียมเผือบานานนะคะจังหวัดนครนายกที่ให้เกียรติในการพูดคุยแล้วก็แนะนําเรื่องราวของวิสาขิจุมชนนะคะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ามะเฟืองสามัคคีค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณจิตนาคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ยังมีครั้งหนึ่งนะคะใครสนใจนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะของทางกลุ่มซึ่งขึ้นชื่อของเขาเลยก็คือขนมทองพับสมุนไพรนะคะขนมทองม้วนขนมโมจิแล้วก็ผลไม้แปรูปน ะ, ะมะเฟืองแปรูปน ะ, ะเป็นยังไงต้องไปติดตามกันนะคะทางแฟนเพจเฟซบุ๊กค่ะหมู่บ้านเกษตรกรท่ามะเฟืองสามัคคีนะคะหรือวิสาหกิจชุมชนท่ามะเฟืองสามัคคีก็ได้นะคะส่วนในวันนี้ค่ะเรื่องราวของเรากับรายการตลาดนัดชุมชนหมดเวลาลงแล้วนะคะคุู้ฟังส มาติดตามรับฟังรายการตลาดนัดชุมชนได้ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทาง FM 8เอ็ A 5, วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีหรือถ้าใครฟังไม่ทันไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีการออนไลน์นะคะทางแฟนเพจ Facebook วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ดิฉันอาทิตยาประกทานังและทีมงานต้องขอลา ก, กันไปก่อนคะ่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรายการด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี ร่วมส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนหลักดันโนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วมรายการตลาดนัดชุมชนสามารถติดต่อเข้าร่วมรายการได้ทางแฟนเพจ Facebook FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลทัญบุรี